ธธพัทาจักมีวัตถุประสงค์สองอย่างเป็นมูลภิกษุจงใจยพยายามนามา้ำอสุจิสีเหลืองสีแดงและสีขาวเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษน้ำอสุจิสีเหลืองสีแดงและสีเหมือนเนยใสภิกษุจงใจยพยายามน้ำอสุจิสีเหลืองสีแดงและสีเขียวเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษ พระธัจจกรมีวัตถุประสงค์สองอย่างเป็นมูลย่อไว <ney> ้แล้วพัะธัจักรมีวัตถุประสงค์สองอย่างเป็นมูลภิกษุจงใจพยายามภิกษุจงใจพยายามน้ำอสิจิสีเหมือนนมส้มสีเหมือนเนยใสและสีเขียวเคลื TL ่อนต้องอบัตสังฆาที่เศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มสีเหมือนเนยใสและสีเหมือนนมสดเคลื่อน ต้องอบัตสังฆาทิเศษพระธจัจจ์มีวัตถุประสงค์สองอย่างเป็นมูลจบพระธักรติมูลกะาในก็ดีเจตุมูลกะาในก็ดีปัญจมูลกะาในก็ดีฉะมูลกะาในก็ดีสัตตมูลกะาในก็ดีอัฐมูลกะาในก็ดีนวมูลกะาในก็ดีบดิดพึงตั้งขยายให้เหมือนกัน คำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นพัตจักสัพพมูลกะใน